จะลำบากในการที่จะนั่งที่ไหนหลวงพ่อก็เห็นว่าจำเป็นและสำคัญหลวงพ่อก็ได้ถามว่าโรงเรียนมีเงินเท่าไหร่มีเงินหนึ่งล้านขาดเท่าไหร่ขาด 0,000 ส, สนหลวงพ่อก็เป็นร่วมสม้าเข้ามา3 0 0 0 0นให้สร้างที่โงรงเลี้ยงอาหารเด็กะก็เป็นที่ได้ใช้เรียบร้อยหลวงพ่อได้ยินแล้วก็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 เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ฟักเขาน้อยสามขานะังเอานลูกหลานนะในคณะัทธาญาติโยมนะคือลุงแหวงนายแหวงกับนายงอนเนี่ยเป็นเพื่อนกันมาก่อนลุงแหวงกับลุงงอนเป็นเพื่อนกันมาก่อนต่อมาลุงแหวงเนี่ยเออทำมาค้าขายเป็นเพื่อนกันนายแหวงเ่ลุงลุงลุงสวัยเนี่ยสวยเนี่ยรวย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 ถ้ามึงไม่หลบนะถ้าพวกมึงนะไม่ใช้หนี้กูนะถ้ามึงตายไปไปตายเป็นมึงถ้ามึงตายแล้วมึงก็ต้องมาใช้หนี้กูนะมึงจะมาไปตายเป็นหมามึงก็ต้องมาใช้หนี้กูถ้าไปตายเป็นควายมึงก็ต้องมาใช้หนี้เป็นวัวเป็นควายเป็นหมาแลวมึงต้องมาใช้หนี้กูนะถ้ากูตายกูจะมาใช้หนี้มึงแล้วะเอะถึงกูยังอยู่กูจะใช้ลุงงอนกันรับปากคะ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 เออโต้ผู้อ้นวนพวนสมบูรณ์น่ารักเลยคนทลายโอ้โ ห, โโหโอโอโควายตัว น, นี้น่ารักจริงๆเลยแหมจากนั้นพอมันใหญ่เป็นหนุ่มขึ้นมาเขามันก็งอนทางหลังเท่ไงแหมพองอนทางหลังไงเขาก็เรียกในไหวนี่ก็เลยเอ้ยควายตัว น, นี้ตั้งชื่อบบักงอนเหมือนกันไงเออควายบักงอนเหมือนกันแต่นี้ควายในงอนตัวนี้ก็ขอใหญ่เป็นหนุ่มขึ้นมาเนี่ยเป็นควายแสนรู้ใช่ไหมล่ะรู้จักความดีนะ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 พอตอนเย็นตอนบ่ายมึงไปหากินอกไปตอนค่ำๆชักบ่ายสามสี่โมงมึงกลับมาไถนานะไอ้ควายบกงอนต่ตนั้นมันก็ทําหน้าที่เป็นควายแสนรู้นะมันก ร, กระเดืองเรื่องเลือไปว่าไอ้ควายบักงอนนะนะ่นน่ะอยู่กับคนนั่นนะ่ะแต่ในลูกชายของนายงอนลูกสาวลูกชายของนายงอนได้ยินไม่พอใจเลยเอ๊ะทำยังไง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 ก็เป็นอันว่า13บาท50สตางค์ก็แล้วกันนะยอมยอมครับโผลีิสูตรทั้งลูกสาวลูกชายของนายงอนก็เลยเอาเงินมาไถ่เออเอาปแายตอนนั้นไปนเลี้ยงอย่างดีนะน่ผลนิสูตรก็เลยเรื่องก็เลยจบกัน น, ะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าใครเป็นหนี้ใครน ะ, ะให้ใช้สเสนาทหารบอม่อยไส้นะ